อธรรมกรรมมทวาทสกะว่าด้วยตัชนียกรรมที่ไม่ชอบทำสิบสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายตัชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยและระงับไม่ดีคือหนึ่ง